กุฑาศติค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่คือพระไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอน โยมสนใจเรื่องของนรกค่ะอืมโยมก็ว่านรกที่ว่าไร้ร้ายของ กันพบปะกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจนะทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะตาเช่นอะไรบ้างเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอะไรที่มันขยะแขยงน่าเกลียดเห็นนะเสียงก็เสียง สัมผัสทางกายในอย่างฤดูร้อนเราเคยแดดเผาร้อนแรงต่างๆพวกนี้ไม่น่าพอใจนะทาง ที่เค้าใน 7 วันเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยกินข้าวแค่ 2 ครั้ง 2 คาบนะคือวันจันทร์กับวันพฤหัสแล้วกินแตกๆไปขอทานถูก<ใช> นะกลับมาบ้านไม่ได้ตังค์สักบาทเดียวก็ถูกแม่ เขาก็จะไปหาน้ํากินตามแหล่งน้ําลําธารนะปวดปัสสาวะแล้วก็ถ่ายเบาออกนะพอเบาออกแล้วมันที่เขายังได้อยู่ในความทุกข์ที่เขาเจอทั้งมหานรก ไม่กินข้าวแค่อาทิตย์ละ 2 ครั้งเนี่ยยังมีความสุขนะหรือในระหว่างวันคุณยังมีความสุขจากการไปถ่ายบ่าวออกได้แล้วมีเนี่ยมีไฟเต็มไปหมดไม่มีเวลาที่ไฟ ที่เกิดขึ้นนี้นะมาทางภัสสะนั่นเองนะ เอ่อมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นภพภูมิที่เรา ถ้าถ้าเราไม่รู้อริยะสัจศรีนะคุณโยมติ๋วเราจะต้อง 2, 2> ตกอยู่นานๆเอาหมดเทอม ตรงนี้จึงเรียกว่าสังสารวะสังสารวัฏนะเป็นวัฏกวนนะเพราะอะไรเพราะค่ะเอ่อบุรุษเจ้าจึงเนี่ยเป็นค่ะนะว่าอย่างงี้อืมนะคะเพราะฉะนั้นๆนะ นรกเนี่ยคือไม่มีความสุขอยู่ตรงไหนไปทําอะไรไม่มีๆเลยที่พวกเรารู้ อย่างแท้จริงใช่มั้ยคะถ้ารู้แค่ท่องได้สอบศีลธรรมโอ้โหได้คะแนนเต็มเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ 4 พอมั้ยคะท่านคะอันนี้เค้าแต่อันนี้ นะคือไม่ได้จําได้ที่สมองไอ้ความจําได้มัน นะรู้ละว่ามันเป็นอย่างงี้นะจําได้นี่อีกเรื่องนึงนะ มันไม่ได้ไกลเอามันแค่ประมาณ 12 นิ้วนะ 12 นิ้วเนี่ยเดินมันไม่ 2-3 กืบปุ๊บถึงละ 10 ปี 20 ปีนะฉันจํา <ฮ ะ. S 1> ไอ้ความรู้ความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเอ่อเราจะทํา 1, <Okay. S> 1> นะก็คือศรัทธาใน <Okay. S 1> เรามีความมั่นใจในเนื้อหาธรรมะตรงนี้แล้วเราเอามาปฏิบัติของตัวเราเองนะคุณเอามาเออเอ่อมีความอดทน<อง> ค่ะนะถ้าเราอดทนได้ภูอ่ะเอ้ยธรรมะมันเข้าสู่ใจมั้ยนะหรือว่าตอนที่คุณมีโอกาสจะๆจําศีล 5 ข้อท่องได้พระบอกให้พูด ตั้งใจในการทําความดีพูดดีอย่างที่คุณหยุม 2 อันแล้ว ได้สังข์อันหนึ่งแล้วนะอยู่ในใจพอเราทําแล้วเรารู้เราเห็นด้วยใจของเราเองนะว่าโอ้มันมีอนิสงส์อย่างนี้นั่นคือพุทธะเกิดขึ้นในใจนะอันที่ 3 เกิดขึ้นพุทธะคือความรู้นะพุทธะคือ<ใช> เรามีธรรมะมีสังฆะมีพุทธะมีรัตนะเร 3 อยู่ที่คนผมเหลืองเลยนะ ถ้าเรามี 3 อย่างมีพระตามลําดับที่อาตมาพูดมานี้นะไม่ค้าสัตว์ไม่ลักสัตว์คุณมั่นใจได้เลยว่าๆๆค่ะอัน มีให้เพื่อไปยกย่องตัวเองอริยะอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะนะคะเอ่อท่านฟังที่เคารพๆไปก็คือ มีภาษาอย่างอื่นที่พึงพอใจเลยในความ ธรรมของพระศาสดาจะใช้คําจํากัดความว่าเป็นโสดาบันด้วยการใช่ว่าได้ไหว้ อย่างแน่นอนแล้วใช่ๆเป็นเห็นไหมคะว่าปกติเนี่ยค่ะเห็นมั้ยคะว่าชั้นเวลาแป๊บเดียว นอกจากนรกและยักไต่ขึ้นไปที่ดีกว่านรกอ่ะค่ะอืมขยับสูงจากโสดาบันไปสวรรค์หรือไปที่ไหนคะแล้วไปยังไง 7 ชาติเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ชาติ 2 ชาติเนี่ยยังต้องมีแต่ซึ่ง 2 ชาติบ้าง แต่พระพุทธเจ้าก็ยังมีที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งเลิกเพิกถอนเจ้าตัณหาอวิชชาได้ทั้งหมด เราทําความละเอียดให้ลึกค่ะคืออันนี้ท่านไพมูลชายภาพให้เห็นกว้างๆไม่ได้บอกๆที่ นะคะใช่ๆทําให้เข้มข้นมากขึ้นแต่แน่ๆก็ไม่เป็นความไม่น่า นั่นค่ะไว้นะโอกาสนี้ค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้